นาบุญกับคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่มีความสนใจที่จะมาฟังธรรมะหรือมีการเสวนากันเองก็ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีมาร่วมทำความดีได้มาพูดคุยแบ่งปันแง่คิดแล้วก็ กำลังใจเกี่ยวเรื่องการเดําเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าหนักทั้งด้านวิกฤตก็จะมาพูดคุยในหัวข้อว่าสร้างพลังจิตในวิกฤตเน่มันเป็นหัวข้อที่กำลังฮอตมากสมัยนี้หลายครั้งที่เวลามีสัานที่สถา บ, บันก็เชิญมาไปก็ให้พูดเรื่องในแนวนี้แหละ แนวถึงเรื่องกา ร, รเผชิญหน้ากับ ว, วิกฤตต่างๆมันที่จริงไอเราเองก็เคยประสบสบภาพที่วิกฤตแบบนี้มาก่อนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีวิกฤตเกิดมากมายหลายอย่างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้อะไรประกาศเพราะว่าจุกเฉิน ไข่วัดหมูวิกฤตของโรคภัยแค่เจ็บวิกฤตของการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ภัยพิบัติแล้วก็ลมดังวิกฤตที่เกิดขึ้นที่จิตใจเราด้วยใจเราเนี่ยมันสร้างวิกฤตมากกว่าวิกฤตข้างนอกนะวิกฤตข้างในนี่มันรุนแรงมากข้างนอกโหดร้ายแต่ข้างในรุนแรงผสมผสานกัน อันที่จริงทุกครั้งที่เข้ามาในเนี้ยในจุฬาเนี่ยก็ทำใจไว้ก่อนแล้วว่าต้องเจอวิกฤตอะไรบ้างทำใจไว้เรียบร้อยแล้วเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องความผิดพลาดของการสื่อสารที่นี่นะอันนี้ไม่คิดว่าจะเป็นวิกฤตหรอว่าเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องสนุกนะที่มีอะไรไม่ค่อยสมประกอบพราะว่า คนพูดก็ไม่ค่อยสมประกอบแต่นั้นร่างกายนะ <c oughs> เข้ามาแต่ละครั้งนี่ก็เลยทำใจเรื่องรถติดเนี่ยรถติดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมมาที่เนี่ยผมเดินมานะเมื่อก่อนสามสิบกว่าปีผมเดินมาที่นี่เดินเข้ามาเดินมาง่ายๆใช้เวลาไม่นานก็ผมเรียนอยู่ที่มสอสโวพาร ะ, ะตรงนี้เดินเลาะสนามเทนนิสเข้ามาถึงนี่มาง่ายมาก ก็เคยถูกเชิญมาที่จุลานี่บ่อยมาทุกครั้งนี่ปัญหารถติดก่อนเพื่อนเลยรถติดแล้วหลุดจากรถติดมาแล้วเข้ามาในนี้หาที่จอดรถยากเลยที่จอดรถก็ยากคิดว่าที่จอดรถนี่หายากยิ่งกว่าการสอบเอนทานเข้าที่นี่เลยนะผมว่ า, ายากเนีย่ยมันเป็นวิกฤตที่ตั้งทำใจไว้ก่อนพอมาเจอปัญหาอย่างเงี้ย วันเนี้ยเข้ามาง่ายมากเลยไม่มีรถติดรถก็จอดง่ายโอ้ง่ายมากเลยเห็น ไ, ไหมสิ่งที่เราตั้งใจไว้บางทีมันไม่ได้ยิงใจก็ได้นะบางทีมันเปลี่ยนแปลงโดยที่เราคาดไม่ถึงอาจจะเปลี่ยนไปทางดีก็ได้ทางดีก็ได้เนะี่ยอันที่จริงสิ่งที่เราเรียกว่าวิกฤตหรือปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าเรา มองย้อนถึงอดีตเนี่ยจะถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันเป็นอย่างนี้เองมาตั้งนานแล้วสมัยก่อนไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหามันมีทางนั้นอาจจะมีคนละรูปแบบแลว้วอนาคตก็ต้องมีอย่างนี้รับรองมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกสิ่งภายนอกมันเป็นเรื่องธรรมดามันมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็ต้องเกิด ถ้ามันหมดเหตุหมดปัจจัยเมื่อไหร่มันก็จต้องดับลงไปเองโดยธรรมชาติไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลามันมีโอกาสที่จะดับลงไปได้เหมือนกันไม่มีใครสามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆภายนอกได้อย่างจริงจังเห็นไหะปัญหาต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ข้างนอกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองถ้าเราเข้าใจถึงหลักธรรมในพุทธศาสนาเขา มองทำที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนความแปลวนเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่ทำไมมันจึงไม่คงที่ทำไมเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นมันมีความทุกข์บีบคั้นทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะมันมีความทุกข์บีบคั้นมันบีบคั้นอย่างตึกเนี่ยมันอยู่คงที่ไม่ได้หรอกมันบีบคั้นตัวมันเองมันมีความทุกข์ซ่อนอยู่ในตัวเองบีบคั้น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเหตุปจัจจัยเป็นเงื่อนไขของธรรมชาติจริงๆแล้วมันก็ควบคุมไม่ได้ด้วยเราเพียงแค่ดูแลรักษาไม่ใช่วมันจะคงทนถาวรนี่เมี่ะมันควบคุมได้ไม่จริงจังมันก็จะเปลี่ยนแปลงผลท้ก็แตกทําลายไปตามกฎเรียกว่าพระไตรลักษณ์เคยได้ยินไหมกฎพระไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นี่ไม่ใช่สามง่ามแล้วโอ้ยเป็นอาวุธไตรลักษณ์คือ ความไม่เที่ยงเรียกว่ากฎอนิจจังทุกขังคือทนในสภาพเดินไม่ได้แล้วก็อนัตตาคือไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อย่างแท้จริงใครเข้าถึงกฎสามข้อเนี่ยกฎตรลักษณ์สามอย่างเนี่ยรับรองจะแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาคือปัญหาด้านจิตใจเรื่อเป็นกฎที่เฉียบขาดเลยกฎตรายักษณ์เนี่ยเรื่องเป็นพระเจ้าก็ได้พระเจ้าคือกฎเฉียบขาดเป็นพระเจ้าที่ไม่มีตัวตน มีแต่กฎมันตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่ากอตคือกฎไตรลักษณ์กที่เจียบขาดมากในตัวเรานี่ก็ใ น, น้ในตัวเรานี่ก็คือกฎไตรลักษณ์เท่านั้นละถ้าเข้าถึงกฎนี้ได้เนี่ยเราจะหมดปัญหาท่นานั่นจิตใจคือทุกข์ไม่เกิดพูด ถ, ถึงปัญหาต่างๆเนี่ยวิกฤตต่างๆหรือปัญหาต่างๆประสบการณ์อุปสรรคต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคน ปัญหาจะมีปัญหาจริงหรือไม่นะั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของคนบางคนมองว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาก็ได้บางคนมองว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้อย่างเช่นอากาศที่มันร้อนอากาศร้อนคนละ ว, ว่ามันเป็นปัญหาโรคร้อนต้องแก้ไขกันมากมายแล้วบางคนรู้สึกเฉยเฉยโอ้โรคร้อ น, นเป็นเรื่องธรรมดา มองเห็นไปเรื่องธรรมดาใะเขาไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรหรือปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายบางอย่างอย่างเช่นเราเป็นสิวบนใบหน้าบางคนสิวบนใบหน้าหนึ่งเม็ดเนี่ยโอ้เป็นปัญหามากเลยต้องแก้ปัญหาต้องไปหาหมอต้องแกะต้องทําสารพัดเนี่ยเพื่อกำจัดไอ้สิวเม็ดเนี่ยแต่บางคนมองว่าอ๋อสิวเป็นปเรื่องธรรมชาติก็ไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรมากมาย ทำก็สะอาสั ก, กจบทลมันก็อยู่กับมุมมองของเราอย่างเช่นเมื่อไม่นานนี้หลายปีมาแล้วก็มีอะไรเหตุการณ์ซึนามิเห็นไหมเหตุการณ์ซึนามิที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้เราเป็นทุกข์เศร้าหมองกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็มีคนล้มตายเป็นแสนทุกข์มากแต่ใช่ไหมว่ามีอติธรรมบางท่านเนี่ยมาพูดคุยมาคุยกับผมว่า เหตุการณ์ซูนมิเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาได้ได้ปัญญารู้สึกเป็นบวกกับเหตุการณ์เหล่านี้คือไม่ได้ไปผลลั้งย่อใครนะไม่ถึงว่าตัวเองเนี่ยมันได้ประโยชน์จากเหตุการณ์เหล่านี้มองเห็นความไม่แน่นอนของโลกและชีวิตเห็นเห็นว่าชีวิตนี่มันไม่แน่นอนจริงๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้ เขามองใ น, นแง่ของความเปลี่ยนแปลงของความไม่แน่นอนเขาจะบอกว่าเนี่ยการที่มีคนตายมากมายเนี่ยมันทำให้เขาย้อนดูตัวเองว่าเราเนี่ยไม่ควรประมาทแล้วชีวิตนี <c oughs> <c oughs> ้นะไม่ได้ไปวิตกกะวนกับคนที่ตายมากมายแต่ว่าเราจะทำอย่างไรกับภาวะที่มันมีคนล้มตายสึนามิแบบเนี้ยเราจะแก้ไขตัวเองอย่างไรบ้างเราจเตรียมตัวอย่างไรก็ได้คาตอบว่าโอ้เราไม่ควรประมาทแล้ว มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ควรประมาทเตรียมตัวสร้างบุญสร้างกุศลละความชั่วทำความดีแล้วก็ฝึกผนจิตใ จ, จเจริญสติภาวนาให้มันรู้แจ้งเ <c> ก <oughs> ี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิตเวลาเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดปันมาก่อนเนี่ยมันจะได้ทำใจได้มีสติปัญญาเผชิญหน้ากับปัญหาที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเขาไม่ประมาทใช่ไหม เปลี่ยนวิกฤตของซูนามิเป็นความไม่ประมาทเตรียมตัวไว้ก่อนตายเขาก็ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์เหล่านั้นแต่บางคนนึกส้าหมองทุกแล้วตัวอีกนึกม่ที่หลายก็จิตใจเสมองแต่คนคนนั้นนึกแต่เขารู้สึกว่าอเรานี่พร้อมละเมื่อไรก็เกิดไม่เป็นไรพร้อมแล้วเพราะนั้นเราจะมองว่าเป็นปัญหาหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราวางจิตวางใจไว้เป็นยังไงถ้ามองว่าเหตุการณ์เรื่องธรรมดาเป็นปัญหาเนี่ย เราก็ต้องแก้ไขกันจนตลอดชีวิตไม่จบไมสิแต่ถ้าเรามองว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องธรรมดาโลกเรามันก็เป็นอย่างนี้เอ ง, เองแหละมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็เหมือนกันมองเป็นเรื่องธรรมดาซะไม่ต้องแก้ปัญหาเลยเลยมองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้นเข้าไปยังไงอันนี้อีกแบบโดยประสบการณ์โดยความรู้หรือโดยสติปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิธงที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ภายนอก ใครก็ตามถ้ารู้เท่าทันรู้เท่าทันโลกแล้วก็ชีวิตตามที่มันเป็นจริงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเงื่อนไขของธรรมชาติเขาก็จะสามารถรักษาจิตใจเนี่ยให้เป็นปกติพาจิตปพาใจอยู่เหนือสิ่งที่ครอบงาจากเหตุการณ์ภายนอกจิตใจก็จะเป็นอิสระสุขภาพจิตดีนอนหลับสบายเลย แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์านั้นโดยหน้าที่รับผิดชอบด้วยสติปัญญาแก้ไขได้ก็แก้ไขไปแก้ไขไม่ได้ก็รอเวลาถ้ามีโอกาสด้วยใจที่ไม่เป็นทุกข์คือดูโลกด้วยสติปัญญาแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใจไม่ทุกข์บางคนเจอปัญหาข้างนอกปุเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพอแก้ไขไม่ได้ก็โอ้เป็นทุกข์ตอีอกชกตัวเราช่วยก็ไม่ได้เราแย่เลย ช่วยเขาไม่ได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งและกลับช่วยใจเราไม่ได้โดยเนี่ยโอ้เสียสองต่อเลยเมื่อช่วยเขาไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเราก็หาทางช่วยใหม่ไม่ต้องเป็นทุกข์ที่ใจเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นภายนอกเนี่ยใจไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้ไอเราเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นการเสียสองต่อข้างนอกก็แก้ไขไม่ได้ข้างในก็ยแย่ๆทุกข์ทั้งนอกทุกข์ทั้งในชีวิตเราเรเกิดมาก็จะเป็นทุกข์ซึ่งไมยุติธรรมอะ เราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นทุกข์เราไม่ได้เกิดมาจะเป็นทุกข์ต้องแก้ปัญหาใจด้วยเนี่ยสาคัญมากเลยเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและชีวิตอย่างถูกต้องเราก็จะสามารถที่จะไม่ไปทุกข์กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มาจากภายนอกข้างในก็ไม่ทุกข์ข้างนอกก็แก้ไขกันไปในท่นที่เราเกิดมาในโลกเนี้ย เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องเป็นพวกนักศึกษาเราต้องเป็นนักศึกษานะไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วไม่ศึกษาไม่ใช่เหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องศึกษาดังนั้นเราคือนักศึกษาชีวิตคืออะไรคือการเรียนรู้คือการศึกษาชีวิตไม่ใช่เป็นการต่อสู้ใครต่อสู้ชีวิตเนี่ยมันสร้างความอับโชคอับจนในตัวเอง ชีวิตเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดเลยเรียนรู้เพื่อให้รู้ความจริงเราต้องใช้ชีวิตอย่างถูกต้องโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเกิดไปในโลกนี้ยโลกคือห้องเรียนห้องใหญ่ชีวิตคือผู้ที่เรียนรู้รู้เรื่องตัวเองกายกับจิตเนี่ยเรียกเป็นตำราเล่มใหญ่กลับมารู้ตัวเองนี่แหละเริ่มต้นจากการศึกษาชีวิ ต, ตศึกษาจากตัวเองก่อน เข้าใจตัวเองแล้วจะเข้าใจสิ่งรอบตัวกายกับจิตเนี่ยเป็นตําราเล่มใหญ่สติเป็นนักศึกษาไม่มีใครศึกษาแล้มีสตินักศึกษากายกับจิตเป็นกําลาเล่มใหญ่ตําราข้างนอกที่ตั้งตั้งอยู่เนี่ยมันยังเล่มเล็กเพราะเป็นตําราเรื่องข้างนอกแต่เล่มใหญ่คือเนี่ยคือตัวเราเนี่ยคือที่กายที่ใจต้องเรียนจากตัวนี้ก่อนเราจึงจะเข้าใจโลกและชีวิตต้องเริ่มจากตัวเรา ไม่มีศาสตร์ไหนที่เขาจะสอนเรื่องชีวิตเรื่องตัวเราได้ดีที่สุดเท่ากับพุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์นี่สอนเรื่องตัวเราเลยถ้าใครเรียนเรื่องตัวเราจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตจะหมดปัญหานะมันทุกข์จะไม่เกิดมันดับทุกข์ได้และชีวิตจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันจะมีความสุขมากขึ้น มันจะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตทั้งในเกิดจนตายอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหวังถ้าเราศึกษาตัวเองให้ถึงที่สุดแล้วษาตัวเองทำอย่างไรอันนี้ทุกคนก็ต้องทำตรงนี้ก็คือการอาศัยการภาวนาภาวนาเนี่ยคือการทำจิตให้เจริญทำจิตให้เจริญภาวนาไม่ใช่ว่านั่งหลับตาแล้วบ่นพึมพบึมพ ทีบวชบุญพัมก็ไม่เจริญนั่นจิตมันจะต้องมีสติเป็นผู้ที่ศึกษากายศึกษาจิตการมีสติเนี่ยคือการภาวนาในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถทำได้ถ้าเราอยากจะรู้ความจริงของชีวิตเราก็เราก็ต้องมีการภาวนากลับมาดูตัวเราคนเรามีความทุปว่าใช้ชีวิตที่ฝืนฝืนอแสของความจริงสิ่งที่ไม่เที่ยงก็อยาให้มันเที่ยง สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็จะควบคุมไม่ได้อย่างใจเราเนี่ยมันถึงเป็นทุกข์มากเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยมันควบคุมบังคับบัญชามันไม่ได้อย่างจริงจังหรอกแต่เราสามารถเรียนรู้มันได้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถเรียนรู้ได้ถ้าเรียนรู้ความจริงถึงสุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอันนี้มาเข้าถึงการภาวนาการภาวนาคือการสัมผัสรู้ลงไปในของจริงทั้งหลาย สัมผัสรู้ลงไปเลยใครเป็นผู้สัมผัส ร, รู้คือสติความรู้นี่มีสามอย่างรู้ที่เกิดการได้ยินได้ฟังได้ดูอันนี้เป็นความรู้ขั้นต้นในพุทธศาก็เครียกว่าสุตตะมายาปัญญาปัญญาขั้นได้ยินได้ฟังรู้จํารู้จักเอาไว้พูดคุยต่อๆกันไปขั้นที่สองคือขั้นที่คิดนึกเขาเรียกว่าขั้นจินตามายาปัญญาคิดนึกไข้ ค, ควร หาเหตุหาผลนให้ไข้ครวนนะะไม่ใช่ค่ําครวนต่างกันนะคร่าครวนนี่มันเศร้าหมองถ้าไข้ครวนเนี่ยมันได้เรียนรู้ได้สติได้ปัญญารเรียกว่าจิตตามมรยญญาบรญยาันนี้ก็เป็นการเรียนรู้และแก้ปัญหาในส่วนหนึ่งความรู้อีกด้านหนึ่งคือความรู้ที่เกิดจากการภาวนาคือการเข้าไปสัมผัสเอาจิตใจเข้าไปสัมผัสกับเหตุการณ์เหล่านั้นเลยให้รู้ว่า การสัมผัสรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงจริงกว่าไม่ใช่เป็นการแค่ฟังแล้วก็คิดนึแต่เข้าไปสัมผัสความรู้เนี่ยเป็นเรื่องของสมองแต่ความรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของสมองนี่ก็จําเอาคิดเอาแต่เรื่องความรู้สึกทางจิตวิญญาณเนี่ยเราต้องสัมผัสรู้เลยกยกตัวอย่างว่าอย่างผมเนี่ยมันหนักสักกี่กิโล คนที่นักคิดก็นเนี่ยรูปร่างงี้มันหนักไม่เท่าไหร่หรอกมันหนักนะเนี่ยสูงๆอย่างเงี้ยน่ากลัวอากาศหนักนะัคิดเอาบางคนมองดูก็ยังหาคําตอบไม่ได้แต่ถ้าจะให้รู้แล้วก็ ม, มายกลองยกผมดูเล ย, เยจะรู้ว่าอ้อนี่อ้หนักเนาะเนี่ยัน้นการภาวนาการสัมผัสรูปแบบ น, นี้แล้วต้นเรขาการมีสติใช้สติ เบ็นุทธสัมผัสรู้ลงไปที่ตัวเราก่อนเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้เริ่มต้นรู้ที่ตัวเราก่อนเริ่มเรียนรู้ตัวเราแล้วจะเข้าใจสิ่งข้างนอกเรียนรู้ชีวิตจะเข้าใจโลกข้างนอกโลกข้างในเนี่ยเราต้องรู้ก่อนเพราะโดยธรรมชาติเรามากักจะดูแต่ข้างนอกใช่ไหมดูแต่ข้างนอกดูสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย รู้แต่ข้างนอกแต่ไม่เคยกลับมารู้จากข้างในเนี่ยเรารู้จากข้างนอกไปแล้วก็เราจะเป็นความคิดปรุงแต่งหมดเลยปรุงแต่งตามศัจจญาณปรุงแต่งตามความรู้ไม่ได้เห็นของจริงสิ่ที่เราได้เรียนมาเนี่ยแล้วก็รู้ตามตำราทั้งนั้นแต่สัมผัสจากข้างในเนี่ยมีสติตามดูรู้กายรู้ใจ เ, เริ่มจากข้างในมันจะเข้าใจข้างนอกมันแปลกไหมอยากจะรู้จิตใจก็ต้องเริ่มรู้จักจิตใจเราก่อน มันเรียนรู้จิตเขาด้วยจิตใจของเราเขารู้สึกอย่างไรดูที่ใจเราเราจะเริ่มเข้าใจปัญหาเนี่ยไม่ใช่เกิดจากข้างนอกเกิดจากเราเนี่ยรู้ไม่ทันจิตใจเราต่างหากเราเห็นว่าสิ่งที่นอกที่มากระทบเราเนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกรสที่ปรากฏทางลิ้น ความเย็นร้อนอ่อนแข็งมาปรากฏที่กายเราและความคิดนึกมันเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยไอสิ่งที่ปรากฏข้างนอกเนี่ยเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏเป็นปรากฏการณ์ชั่ววูบเท่านั้นเองมันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงหรอกปัญหาคือใจเราบางหากักเรารู้ไม่ทันจิตใจเราสิ่งที่มากระทบมันมาอยู่สองอย่างคือไม้เราพอใจกับไม่พอใจ สิ่งที่ไม่พอใจแล้วก็ชอบยึดติดอยากได้อยากเป็นเจ้าของเนีย่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะเนีย่ยเริ่มรู้ไม่ทันใจใจก็จะทยานอยากจะไปอยากได้อีกอย่างหนึ่งฝ่ายลบเลยทำให้พอใจแล้วก็ไม่อยากมองอยากผลักใส่สองอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในใจเราผัดกันชิงจิต ช, ชิงใจเรานี่พูดถึงคนที่ขาดสติจะไม่รู้นะอย่างเช่นมีเสียงเสียงดังมากระทบเสียงดังเนี่ย เรีว่าเสียงเพลงคนที่ไม่ชอบเนี่ยโอ้กหหงิดมากเลยบางทีเขาเปิดเพลงค่อยมากเลยนะแต่พอเราไม่ชอบเนี่ยทาให้เสียงดังมาในจิตใจเรามันผ่านหูถึงขณะมันไม่กี่ดซีเบลอะแต่มันดังในใจเราเนี่ยโอ้โหลยี่สิบดซิเบลเลยมันดังในใจเราเพอเราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันจะทําให้เรารุนแรงมากหงิดมากถ้าเป็นเพลงที่เราชอบเนี่ยจะเปิดให้ดังอีกแล้วก็ชอบเสียงนินทา เสียงค่อยๆแล้วก็พ ย, ายาันใช่ไหมแล้วเราก็ไม่พอใจถ้าเสียงชมเชยแล้วก็มาพูดค่อยอย่างเลยพูจยาวหน่อยก็ไนดะ้แต่เสียงก็คือเสียงใช่ไหมมันก็ปรากฏตังหูแต่ใจเราไป iyor, ต, ตีความหมายปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของเขามันเป็นางนั้นจริงแค่เสียงอย่างเดียวนะมีส่วนอื่นอีกรสชาติต่างๆหรือความเย็นร้อนอ่อนแข็ง หรือกลิ่นมันก็แบบเดียวกันน่ะมาเพื่อให้เราเกิดการปรุงแต่ง ใ, ใจว่าพอใจกับไม่พอใจแต่ถ้าคนมีสติเนี่ยถ้ามีสตินะจะเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาทั้งนั้นอ่ะหูมันต้องได้ยินเสียงตามันต้องดูจมูกต้องได้กลิ่นลิ้นต้องได้รสกายต้องสัมผัสเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆและมันก็ไม่อยู่ที่นานนะเกิดปั้นแล้วมันกระดับเกิดดับเกิดดับ เสียงไม่ดังนานมันดังขนาดนั้นมนก็ดับดับตับ้อย่างมันเกิดดับทั้งแต่าภายนอกแต่มีปัญหาที่ใจเราเนี่ยพอปรุงแต่งแล้วมันยาวแม้จะยามก็เกิดดับแต่ว่าสิ่งไหนที่เราประทับใจมากมันจะยาวกว่าปกติในเพราะสิ่งที่เราไม่ชอบใจเนี่ยโอ้มันยาวเหลือเกินปรุงกันทั้งคืนเกิดการปรุงแต่งพัง ก, กิตเพราะขาดสติปัญหาที่ใจเราล่นะับ แต่ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันจิตทันใจเราเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเกิดชั่วครูไแล้วก็จะดับไปเลยมันจะไม่ต่อกันนะานนี่มันตัดมันตัดรอยต่อระหว่างสิ่งที่มันปรุงแต่งในใจเราปัญหาเกิดจากการปรุงแต่งในใจเราถ้ารักก็ปรุงแต่งในทางดีชอบยึดติดเป็นตัวเรียกเป็นตัวโลภะถ้าโกรธเกลียดแล้วก็จะทําลายเป็นตัวโทสะแต่ถ้าไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็เป็นความหลงเรียกเป็นโมหะ อยู่ในใจทั้งนั้นอะ่ะแล้วสามอย่างเนี่ยจะเป็นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งนั้นอะ่ะเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะห้ามให้มันเกิดเกิดได้แต่ถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยมันไม่มีความหมายกับใจเราเมื่อใดที่เรามีสติสติเนี่ยมันจะปกครองจิตมันกินเนื้อที่ในจิตจน อารมณ์ต่างๆที่มันปรากฏเนี่ยมันเข้าไม่ถึงแม้มันเข้ามาแล้วถ้าสติเกิดทันเมื่อแล้วก็มันก็จะกระจายออกไปสำคัญที่เรามีสติทำให้สติรู้ทันการปรุงแต่งในจิตเมื่อไรแล้วก็จิตมันก็จะเป็นปกตินะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถฝึกสติในชีวิตประจำวันหนึ่งๆนะฝึกบ่อยๆเวลากายมันเคลื่อนไหว ในอีเลียบทอะไรแล้วก็มีสติรู้รู้เฉยเฉยรู้แบบด้วยใจที่มันเป็นกลางเพหน่อยอย่าไปรู้แบบบังคับให้มันรู้หรือมีอคติพอใจไม่พอใจนะทิ้งไปก่อนเอารู้สึกเฉยเฉยเวลากายเคลื่อนไหวไปแล้ ว, ลวก็รู้ในการทำหน้าที่ทำงานเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วให้มีสติรู้ตามรู้ไป เมื่อสติรู้กายบ่อยๆเนี่ยมันทาให้จิตเนี่ยมันจะมีพลังมันจะมีพลังพลังสติเนี่ยมันจะรักษาจิตให้มันเป็นปกติเขาไว้แล้วต่อไปมีอะไรมาแปลกความในจิตใจมีความคิดมีความรักความโกรธความกลัวนในจิตใจเนี่ยสติมันก็จะรู้ทันรู้ทันใจเราสิ่งนั้นก็จะดับไปทันทีเลยทุกอย่างมันเกิดดับในจิตใจทั้งนั้นอะไอที่ไม่เกิดดับเพราะว่าเรารู้ไม่ทัน เพราะเมื่อมีสติปั๊บจิตจะไม่คิดอะไรถ้าจิตมันคิดวรุงแต่งมันก็ขาดสติมันผลัดกันนะผลัดกันกินเนื้อที่และทุกวันเนี่ยเรามักจะใช้ความคิดมากกว่าใช้สติด้วยความเคยชินของจิตจิตเมียที่สองอย่างคือรู้กับคิดถ้าสติเกิดความรู้มาอะไรแล้วก็จิตตรงนั้นมันคิดไม่ได้มันผลัดกันนะระหว่างความคิดกับความรู้สึกเนี่ยมันต่างกัน เกิดอันใดหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าคนที่ฝึกสติบ่อยๆเนี่ยมันจะคิดไม่มากพอคิดแรับสติรู้ ม, มันก็ตัดตัดตัดเป็นขณะขณะทุกครั้งที่สติมันตัดความคิดไปได้เนี่ยจิตมันก็จะเป็นปกติเขาเรียกมันตื่นมันตื่นงนั้นถ้าเราใช้ชีวิตแบบมีสติรู้ตัวอยู่บ่อยๆเนี่ยเดินไปไหนก็รู้สึกรู้สึกเวลามันคิดปรุงแต่งจะเป็นความพอใจหรือไม่พอใจชอบใจไม่ชอบจใจให้รู้สึกแค่เพียงรู้สึกเนี่ย จิตมันจะรับอารมณ์ได้แค่ชั่ววูบแล้วกระดับไปดับไปจิตมันจะมีพลังอาศัยกำลังสติเนี่ยถ้าเราฝึกบ่อยๆนะมันจะเป็นความเคยชินไม่ใช่เป็นการฝึกละมันเป็นไปเองทั้งหมดเลยทุกอย่างเวลามีอะไรมากระทบทางใจปั๊บสติจะรู้ทันทีแล้วมันก็จะจัดการกันอย่างเรียบร้อยมันมีความคิดิตรสองอย่างคิดแบบตั้งใจคิดกับคิดแบบไม่ตั้งใจคิด คิดแบบตั้งใจคิดเนี่ยคือการคิดวางแผนแก้ปัญหาตอบคําถามพวกนี้ตั้งใจคิดพวกนี้มันเป็นระบบแล้วมันจะคิดไม่ยาวอะ่ะแต่มันก็จะจบเป็นเรื่องเวลาเป็นระเบียบเป็นระบบแต่มีความคิดอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ตั้งใจคิดเนี่ยมันมักจะมาปรุงแต่งมายวนมากลัวเราอยู่เรื่อยเราตั้งใจวางแผนทํางานตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะมีโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วแต่พอ สักพักหนึ่งมันจะมีความกังวลซ่อนอยู่เอ๊ะถ้าหาก็าอย่างนั้นเอถ้าหาก็ไม่เสร็จมันจะมีความกังวลที่เป็นทุกข์แแฝงมาไอ้ความคิดที่เราตั้งใจคิดอันนั้นมันโอลนกันนะสิ่งที่เราต้องการคือแผนที่เรางานที่เราวางไว้แต่สิ่งที่แปลกปลอมน่ะก็คื อ, ค, อความคิดกังวลจะได้เท่าไหร่จะเสียเท่าไหร่ตรงนี้ต่างหากนะที่คือสิ่งที่มันแปลกปลอมถ้าคนมีสติจะรู้จ yeah, yeah ักแยกแยะ บางทีคิดกังวลจนลืมแผนงานหรืออุดมการที่ตั้งไว้มีแต่วความกังวลนอะนไม่หลับกลับบ้านคิดแต่เรื่องกังวลอ่ะและแผนงานที่เราคิดว่าอย่างสวยหรูเนี่ยมันหายไปไหนใช่ไหมถ้ามีสติจะแบ่งแยกว่าอ๋อนี่เป็นสิ่งที่ส่วนเกินนะเราก็จะไม่ให้ความสําคัญมันเราให้ความสําคัญกับแผนงานที่เราวางไว้ด้วยสติสิ่งนี้ก็ตามถ้าเราให้ความสําคัญสิ่งนั้นมันก็จะเจริญรุ่งเรืองเราให้ความสำคัญของอะไรเสร็จนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองในใจเรา นั้นสติเนี่ยมันสามารถแยกแยะได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆเนืองๆเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นความเคยชินที่จิตมันจะมีสติไปเองไม่ต้องว่าเราต้องไปเข้าคอร์สเราต้องไปที่ไหนไม่จำเป็นแล้วที่ไหนก็ได้เราสามารถฝึกสติในชีวิตประจําวันได้เห็น ไ, ไหมไอ้ความผ่องใสมันเกิดจากการมีสติควบคุมจิตนะจิตที่ไม่ผ่องใสเศร้าหมองเพราะว่า มันมีความคิดเนี่ยมาปรุงแต่งมากมายเพราะขาดสติถ้ามีสติรู้อยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยจิตมันก็จะผ่องใสเพราะว่าไม่มีอะไรมาปรุงแต่งไม่เศร้าหมองไม่ใช่ว่าจะห้ามความคิดหรือไปรังเกยียจความคิดหรือไปรังเกยียจความปรุงแต่งไม่ห้ามปล่อยก็คิดโดยธรรมชาติแต่หน้าที่เราคือคอยรู้ทันคอยรู้ทันคอยรู้ทันสิ่งที่มันปรากฏทางตาทางหู แล้วก็กลับมารู้ทันทั้งจิตใจว่ารู้สึกอย่างไรคอยตามดูตามรู้อย่างเงี้ยเราจะเข้าใจสิ่งข้างนอกที่มากระทบเราเข้าใจตัวเราเข้าใจคนข้างๆด้วย <c oughs> ไม่ต้องไปแก้ไขก็เละเราจะเข้าใจก็ความคิดปรุงแต่งเราห้ามไม่ได้เราสามารถมีสติรู้ทันได้ใครก็ตามพูดกับเราไม่ดีเราห้ามเขาไม่ได้หรอกเขามองเราเราในแง่ไม่ดีห้ามไม่ได้เราจะรู้ทัน ในเหตุการณ์ที่ปรากฏไอการรู้ทันเนี่ยก็เริ่มเป็นการเหนือชั้นไม่ต้องไปทําอะไรเอาชนะศัตรูโดยที่ไม่ต้องไปทําร้ายศัตรูแค่รู้ทันแล้วก็หลบหลีกได้แล้วเรามีลูกเรามีหลานถ้าเรารู้ทันลูกหลานแล้วก็ลูกหลานลลหลอกเราไม่ได้หรอกไอที่รู้ไม่ทันเนี่ยเพราะว่าเราขาดสติรู้ไม่ทันก็ก็หลอกเราเลยไปนะสติเทำหน้าที่รู้ทันนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากถ้าเราฝึกไว้ในชีวิตประจำวั น, นวิธีการก็คือ เนี่ยให้มีสติตามรู้กายเราเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวเวลาจิตมันคิดปรุงแต่งก็รู้แค่รู้เฉยๆเนะ่ยเรียนรู้เรียนรู้ไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเรียนรู้พอรู้ทันปั๊บเนี่ยสิ่งนั้นถ้ามันไม่ดับเราก็สามารถเปลี่ยนจิตใจไปมองในทางที่ดีได้ไม่ได้ห้ามอะไรแต่เพียงแค่เราเริ่มความรู้สึกรู้ทันตัวเองเราก็ได้ปัญญาเข้าใจตัวเราเอง เข้าใจจิตใจเราแล้วเข้าใจจิตใจคนอื่นเข้าใจกายใจแล้วเข้าเข้าใจสิ่งที่ข้างนอกด้วยมันผสมประสานกันนี่แหละพลังจิตจะเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกสติอยู่เนืองเนืองสติทำให้เกิดพลังจิตได้พลังอะไรไม่เกินพลังสติพูดถึงจิตใจแล้วนะความเบิกบานผ่องใสเกิดจาก จิตที่มีสติคุ้มครองดูแลอยู่เขาจะบอกว่าธรรมที่มีอุปการะ ม, มากคือสติสัมปชัญญะรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์แล้วก็ทำให้เรามีคุณธรรมคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ใช่ไปคอยระวังหรือไปท่องเอาตาตำลามันเกิดขึ้นจากที่น้ำใสใจจริงหรอถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะเกิดคุณธรรมโดยที่เราไม่คิดว่าจะต้องไปสมาทานศีล สติมันมีสีอยู่แล้วในตัวสติจะควบคุมละความชั่วทำความดีความเมตตากรุณาให้อภัยไม่เห็นแก่ตัวมีน้ำใจก็ต้องคนที่มีสติทั้งนั้นถ้าคนขาดสติทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะสติเนี่ยเป็นนั้นเป็นกุศลมากเป็นกุศลเป็นภาษาบาลีแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ แล้วต่อไปเขาก็จะเกิดขึ้นใหม่อีกมันจะทำให้เราตื่นตัวนะตื่นตัวในการที่จะกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาโดยที่ไม่หวาดกลัวอะไรเลยเนี่ยตัวสติเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือก็ดีการทำงานก็ดีเนี่ยเราต้องแบ่งวิชาความรู้หน้าที่การงานแล้วก็ทำไปันน้่เป็นงานข้างนอกแต่ลืมงานข้างในคือฝึกสติ เพื่อรักษาจิตไม่ให้เป็นทุกข์กับสิ่งที่เราทำถ้าเราทำแต่การงานเรียนหนังสือเวลามาเกิดปัญหาในใจเราเป็นทุกข์แหละแต่เราสองอย่างมาคู่กันเนี่ยทำงานก็ทำไปแต่มิสติตามดูตามรูตม้ตัวเราเสมอๆ เ, เนี่ยทุกข์มันจะไม่เกิดแม้ว่างานนะั้นอาจจะปิดพลาดทุกข์ก็จะไม่เกิดมันแก้ปัญหาได้สองอย่างนะ้นานเป็นการแก้ปัญหาข้างนอก แต่สติเนี่ยมันแก้ปัญหาจิตใจเราถ้ามีสติแล้วมันจะมีปัญญาผสมรู้จักแก้ปัญหาไปในตัวเห็นไหมต้องทำสองอย่างเนี่ยคนเราสมัยนี้มีปัญหาอะไรไหมคือรู้มาก <c oughs> คือรู้มากแต่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เห็นไหมเรียนนี่สูงแต่เวลาเกิดความผิดหวังเกิดวิกฤตใหกับตัวเองปัญหาครอบครัว ปัญหาใกล้ตัวหรือปิดหวังอกหักไม่ได้ยังใจเนี่ยล้วก็ไปพึ่งอะไรพึ่งกับบายามุกดื่มสุราติดยาหาความสนุกเพลิดเพลินเพื่อให้ลืมปัญหาตัวเองสมัยนี้มีมากเล่นการพ น, นันเพื่อคลายเครียดมันก็เกิดความเครียดอีกแบบหนึ่งนะบางคนยิ่งนั่นนะมีความรู้สูงนะ แต่ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งหมอดูเนี่ยขาดที่พึ่งยแค่นั้น่ะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งหมอดูบางคนร้ายกาจฆ่าตัวตายแล้วก็มีแก้ปัญหาไม่ได้น้อยใจฆ่าตัวตายเลยไม่มีใครเห็นความดีของเราร้อยเอกน้อยใจฆ่าตัวตายเลยบางทีไม่ฆ่าเราเดียวฆ่าคนอื่นด้วยแล้วฆ่าคนอื่นก่อนแล้วฆ่าตัวเองทีหลังมันไม่ยุี่ธรรมอะต้องฆ่าตัวเองก่อนที่เราอยากตายแล้วค่อยฆ่าคนอื่นทีหลัง เนี่ยวกนี้ขาดสติขาดปัญญา้ันเรียนสูงนะมีเยอะแยะเลยคนที่เรียนสูงแล้วติดดีค่าตัวตายมากแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนหนังสือหรือทาหน้าที่ก็ทำไปแต่ลืมมีสติรักษาใจไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยการทำงานนี้ก็มีประโยชน์นช่วยให้เรามีอาชีพช่วยแก้ปัญหาคนอื่นก็ทาไปแต่เรื่องการฝึกทาใจ ทำใจแม่ทุกเนี่ยมันต้องฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาให้มันคือขึ้นในจิตในใจเราเราจะสามารถแก้ปัญหาใจเราได้2 อ, อย่างต้องเป็นคู่กันนะัเรียกว่าความรู้คู่คุณธรรมไงความรู้ก็แก้ปัญหาข้างนอกไปคุณฑธรรมคือแก้ปัญหาใ จ, ใจิตใจเนี่ยส อ, อย่างในคู่กันเลยก็อยากจะถามหน่อยว่าระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยใครมีความทุกข์มากากว่ากัน ระหว่างคนจนและคนรวยเนี่ยใครมีความทุกข์มากการใครตอบได้เราบางทีว่าโอ้คนจนมีความทุกข์มากไม่แน่นะคนรวยมีความทุกข์มากก็มีนะไอ้ที่ฆ่าตัวตายมากไม่ใช่คนจนนะปัญหาคนรวยนะแต่นี่อยากว่าคนรวยมันมีน้อยคนจนมีมากนะคนจนมันต้องทุกข์มากสิวันนี้ปัญหาไปถึงกับปัญหาโลกแต่แล้วนะแต่ขอตอบว่าถ้าคนจนขาดธรรมะ คนจนจะมีความทุกข์ถ้าคนจนมีธรรมะคนจนไม่ทุกข์เพราะทำใจได้ไม่ต้องทุกข์ก็ได้ไอ้ความจนเนี่ยคือความไม่มีเงินเท่านั้นใช่ไหมหรือมีเงินน้อยเท่านั้นใช่ไหมไอ้เรื่องทุกข์เปนทุกข์เป็นเรื่องจิตใจไอ้จนรวยรวยเนี่ยเป็นเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องวัตถุแต่ทุกข์หรือไม่ทุกข์เป็นเรื่องของจิตใจคนจนไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเป็นคนที่เข้าใจความจนอย่างถูกต้องความจนเรื่องสมมุติแร้ ถ้าคนรวยไม่มีธรรมะคนรวยก็มีความทุกข์นะรวยไม่เป็นก็เป็นทุกข์มีเงินในธนาคารมากมายนอนไม่หลับเอาเงินธ น, นาคารมาแบกไว้บนบ่ายึดมั่นถือมันนอนไม่หลับคนรวยเป็นทุกข์ได้แต่ถ้าคนรวยมีธรรมะโอ้ธรรมบาเงินมีเท่าไหร่ร้อยลั่นพันล้านฝากธนาคารเรียบร้อยแอ้เขาดูแลไปแล้วก็นอนหลับสบายสําคัญที่ว่ามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะ รวยหรือจนนี่ไม่สําคัญเป็นเรื่องสมมุติภายนอกแต่ถ้ามีธรรมะแล้วก็รับรองไม่เป็นทุกจนรวยไม่สําคัญถ้ารวยและไม่รู้จักพอก็จนตลอดชีวิตก็ทุกอยู่เลยถ้าจนแล้วก็พอใจในความจนก็สแสวงหาไปไม่ต้องเป็นทุกเห็นไหมคนที่หัวเราะล่าคนจนอย่านั้นสบายเลยและคืออยู่กับการมีธรรมะหรือไม่เท่านั้น ใครสร้างปัญหามากากันคนจนหรือคนรวยคนขาดธรรมะสร้างปัญหามากเห็น <c oughs> ไ, ไหคนพิการไม่เกี่ยวนะพูดถึงจนกับรวยเราไม่เกี่ยวดันั้นสำคัญที่มีธรรมะหรือไม่เพราะธรรมะเนี่ยทำให้เกิดความพอใจทำให้เกิดความพอเพียงทำให้เกิดความขยันสำคัญที่มีธรรมะหรือไม่เท่านั้นเพราะนั้นการสร้างพลังใจในวิกฤตนั้น เคล็ดลับอยู่ว่าเราต้องรู้จักมองวิกฤตให้เป็นโอกาสซะมากพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะถ้ามองวิกฤตคือความย่ําแย่คือความลําบากแล้วก็เราไม่มีทางที่จะสร้างพลังใจได้เลยเพราะว่าสิ่งนั้นมันใหญ่หลวงแล้วก็ท้อแท้หมดกำลังใจถ้ามองว่านี่คือโอกาสคือทางออกของชีวิตมอในแง่บวกแล้วก็วิกฤตเป็นโอกาสทันทีเลยเนะค้นหาข้อดีของวิกฤตที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันนี้ค้นหาข้อดีคําว่าข้อดีคือข้อที่เป็นประโยชน์สำหรับเราอย่าไปมองแต่ในแง่แล้าอย่างเดียวมองวิกฤตในแง่ดีเราจะมีกําลังใจที่จะกล้าเผชิญหน้ากับวิกฤตได้โดยใจไม่ต้องเป็นทุกข์อย่าไปทอดแทะเอาวิกฤตมาท้าทายท้าทายความสามารถไปเลยฝึกแก้ปัญหาเอาละเกิดวิกฤตครั้งนี้ไม่เวลาจะฝึกแก้ปัญหาฝึกเผชิญหน้ากับ วิกฤตโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันหนูที่ทายัางไงเกิดความท้าทายความท้าทายทําให้เรามีกําลังนะมันจะเท่าไหร่กันเนี่ยมีกําลังเ้าบอกมาแล้วทําหน้างอไอ้นี่ก็แย่มองให้เป็นโอกาสให้มากๆเราจะใช้วิกฤตนัน้นให้เป็นโอกาสโดยการที่ฝึกแก้ปัญหาเราจะเป็นนักแก้ปัญหานะฉลาดจะเก่งในการแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยมันจะเก่งในตัวเราเอง จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเป็นเลิศในการแก้ปัญหาชีวิตเมื่อแก้ปัญหาตัวเองได้สามารถช่วยคนอื่นได้ในสมัยพุทธ ก, กาลเนี่ยสาวกองค์ไหนที่เป็นเลิศในทางใดเนี่ยพระพุทธองค์จะแต่งตั้งเรียกว่าเป็นเอตะทัคะอย่างพระสารีบุตรเป็นเลิศทางปัญญาพระพุทธองค์ก็จะตั้งเนี่ยเป็นเอตะทัคะทางปัญญา เป็นเลอทางปัญญาแล้วก็อย่างพระโมคคัลลาน่าเนี่ยเลอในทางมีฤทธิ์สแสดงฤทธิ์ได้เก่งน้ดำดําดินทอหืนเดินกาพ ร, ระพุทธองค์จะตั้งเป็นเอตทัคคะทางด้านมีฤทธิ์เราอยู่ในโลกเนี่ยรุ่นใหม่เราไม่ต้องเป็นเอตทัคคะก็ได้เราเป็นสเปกชิลิศผู้เชี่ยวชาญคอเป็นผู้เชี่ยวชาญ น, นี่ชั้นแนวหน้าเลยนะผู้เชี่ยวชาญต้องไม่เป็นทุกข์ละเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาชีวิตเนี่ยเราจะไม่เป็นทุกข์ ฝึกเปลี่ยนวิกฤตมาเป็นโอกาสในการชีวิตที่มันเป็นประสบการณ์ความชํานาญต่างๆต้อมาจากประสบการณ์นั้นถ้าขาดประสบการณ์ในความชํานาญไม่เกิดขึ้นความรู้มันให้กันได้แต่ความชํานาญหรือประสบการณ์เราต้องทำเอาเองเห็นไ่มมองให้เป็นโอกาสซะอย่าไปเศร้าหมองอย่าไปคิดว่าคือวิกฤตเราก็ต้องแก้ปัญหาแบบนั้นแหละเป็นทุกข์ด้วยอย่าผมเคยมีญาติธรรม เขาใช้วิกฤตเป็นโอกาสเป็นโรคมะเร็งนะเป็นโรคมะเร็งเกิดมะเร็งขึ้นในตัวเองเนี่ยจะทํำยังไงดีมัวเศร้ามองก็ไม่ประโยชน์แหละก็ตัวการรักษาตัวเองเปลี่ยนชีวิตใหม่เราคงจะใช้ชีวิตไม่ดีมาคงจะทํางานมากเกินไปไม่ค่อยได้พักผ่อนเรื่องอาหารก็ไม่ได้ระวังกินตามความอยากกินตามใจชอบเขาเปลี่ยนวิกฤตดยการมารักษาตัวเองมาดูแลตัวเอง ออกกาลังกายพักผ่อนเจนอาหารไม่เครียดสามารถช่วยตัวเองให้พ้นวิกฤตจากโรคมะเร็งได้แล้วก็สามารถช่วยคนอื่นให้คำแนะนําอื่นได้ด้วยอย่าคิดว่าการเป็นโรคมะเร็งโรยไปแค่เจ็บไร้แรนั้นทำให้เราเศร้าหมองเสมอไปนั่นเป็นเรื่องของหน้านร่างกายถ้าจิตใจเรายังมีสติมีสมองอยู่แล้วก็เราสามารถแก้ปัญหาแก้ปัญหาใจไม่ให้ทุกข์แล้วก็เผชิญหน้ากับโรคภัยใก้เจ็บที่เกิดเกือบตัวเรา แล้วก็ทําให้เกิดประสบการณ์บอกแนะนำคนอื่นได้ตัวเองเนี่สมัยก่อนวิกฤตเองคือความพิการใหม่ๆก็ท้อแท้หมด ก, กําลังใจเหมือนกันก็มาคิดว่าไอ้การที่เรามานอนท้อแท้หมดกำลังใจเนี่ยมันไม้ปะระโยชน์เลยเรามีโอกาสว่างตอนเราทํางานเราไม่มีเวลาว่างตอนนี้เราว่างแล้วในช่วงว่างมันทําอะไรให้มีสาระจะทําอะไรให้มีสาระจะุดในตัวเราเองทําอะไรดีนอนไปไหนไม่ได้ จะทำะไรช่วยใครก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้อ๋อเห็นธรรมะเนี่ยถ้าออกคือเห็นธรรมะไอ้ธรรมะนี่ไม่ต้องทําอะไรมากมายคือทําใจไม่ให้ทุกข์มันทำอย่างไรไอ้มันตรงกับโรคของเราโรคเราคือโรคความทุกข์โดยเพราะทุกข์จิตทุกข์ใจมันรุนแรงมากธรรมะมันช่วยท่านจิตใจก็อ๋อเนี่ยธรรมะเนี่ยเป็นยาที่ถูกกับโรคของเราอาศัยหลักธรรมะเรียกว่าสติปัฏฐานเคยยินไหมสติปัฏฐานคือมีสติ ตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้ติตตามรู้ธรรมสรุปลงที่กายใจเราโอ้มารู้สึกตัวอยู่ที่ในที่ตัวเรานอนเจริญสติใช้ชีวิตแบบมีสติตามดูตามรู้จึงเห็นว่าอ้อยทุกข์ของตัวเรานี่มันไม่ที่ร่างกายหรอกทุกข์สำคัญอยู่ที่จิตใจจิตใจสําคัญมากร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติแม้เราไม่พิการมันก็ต้องแก่ต้องตายเปตามธรรมดา แต่ทางใจนี่เราสามารถที่จะพ้นทุกข์ก่อนที่เราจะตายก็ได้ในช่วงระยะเวลาที่เหลือที่ไม่นานเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยขอทําตรงนี้ก่อนจเจริญสติรู้สึกตัวดูกายดูใจมาจากการที่ใจปัญหาที่ใจเพราะใจไม่ยอมรับความจริงพอรู้เท่าทันความจริงของชีวิตแล้วก็อ๋อมันก็หมดปัญหาจิตใจแก้ปัญหาใจได้แต่ร่างกายก็ยังพิการเหมือนเดิมก็ไม่ใช่ปัญหา ความพิการไม่ใช่ปัญหาถ้าปัญหามันต้องแก้ไขได้ถ้าแก้ไขไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาหรอกบอกมันไม่ใช่ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาใจเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กันใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์คือเราใช้ความอดทนในยามที่เราอ่อนแอทําได้ไหมวิกฤตคือความอ่อนแอเราสร้างความอดทนเข้าไปในยามเศร้าหมองเราทอแท้หมดกาลังใจ เราก็ใช้สร้างกำลังใจตัวเองบอกไอ้เรื่องแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เราอาจจะเป็นทุกข์อยู่ต่อไปมันก็จะหายไปเองเรายังมีโอกาสอยู่มองให้เป็นโอกาสเรายังมีโอกาสอยู่วันนี้คิดไม่ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคิดออกโอกาสเรายังมีอยู่เรื่อยไปนั้นถ้าเรามองถึงแง่งความหวังความหวังต้องมีถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่มองทุกอย่างเป็นโอกาสได้อย่างสบายเลยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ซึ่ง คนเราจะคิดตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องมีสติก่อนนะถ้าขาดสติอย่างเดียวเนี่ยมันคิดไม่ออกอาศัยความอดทนด้วยก่อนอดทนอดกัน้นมองอุปสรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ท้าทายเรารู้สักหน่อยเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้สบายเลยนี่มีอะไรเกิดขึ้นเรามองโอ๊นี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นไรหรอกเราแก้ไขได้เอาไม่เป็นไรไม่ก่อนอย่าบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวถ้าบอกไม่ไหวเนี่ยมันก็หมดกําลังใจ ทำไมเป็นไรเนี่ยมันทำให้เรากระตือรือร้นที่จะกล้าไปเชิญหน้ากันมันได้ประสบการณ์นะสิ่งเหล่านี้ความรู้บอกกันได้แต่ประสบการณ์เนี่ยเราต้องทำเราเองเนี่ยเพราะนั้นในฐานะที่เราเกิดเราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกเนี่ยเราต้องเข้าใจเข้าใจเรื่องของโลกแล้วก็ชีวิตโลกเราแล้วก็ชีวิตเราเนี่ยมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลยมันไม่คงที่หรอก มีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเราไม่สามารถจะควบคุมได้อย่างจริงจังเพราะไอ้ความเปลี่ยนแปลงตัวเนี้เพราะนั้นอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องข้างหน้าถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับในอนาคตเท่ากับเราสร้างความทุกข์เอาไว้เรียบร้อยแล้ว อาจจะมองอนาคตในแง่บวกก็ตามลบก็าตามเนี่ยเราสร้างความทุกข์ไว้แล้วเพราะอนาคตจะมีสิ่งที่ไม่แน่นอนใช่ไหมอย่าไปสร้างความหวังอะไรไว้ในอนาคตนะเราต้องสร้างเหตุสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังถึงอนาคตหรอกถ้าเราสร้างเหตุดีถูกต้องเพียงพอแล้วก็อนาคตไม่ต้องหวังมันก็เป็นไปเองไนดะ้ ผลในอ น, นาคต น, นั้นเกิดจากเขตในปัจจุบันใช่ไหมสร้างเหตปัจจุบันให้ดีให้ถูกต้องเรามีหนะ้าที่เป็นอะไรก็ทำให้ถูกต้องเป็นลูกก็ทำหน้าที่กับพ่อแม่ถูกต้องเป็นภรรยาหรือเป็นสามีก็ทำให้ถูกต้อ ง, อ ถ, อ ง, อ ถ, องถ้าทำถูกต้องวันนี้แล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้าที่เป็นผลเนี่ยไม่ต้องคำนึงถึงเลยก็ถูกต้องไปเองแหละแล้วมันเริ่มจากปัจจุบันต้องเปิดใจกว้างนะเปิดใจกว้างยอมรับ กับปรากตะการที่มันเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่สําคัญมั่นหมายอะไรกับมันต้องยอมรับเพราะว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะ่ะคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ทั้งทั้งกายทั้งใจเราคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ทั้งนั้นเลยเรียนรู้เพื่อให้รู้ความจริงอย่าไปกังวลนะกับวิกฤตอะไรต่างๆไอ้ความกังวลเกิดขึ้นกับใจใครเนี่ยใจคนนั้นต้องเจอสิ่งนั้นนั้นสังเกตไหมเรากังวลเรื่องอะไรต้องเจอสิ่งนั้นเสมอ เรากลัวจนมันจนไม่เลิกอ่ะรวยแค่ไหนก็ยังจนอยู่นั่นอละได้ความกังวลเนี่ยมันสร้างให้เกิดความจริงขึ้นมาได้เนไเรากลัวเจ็บเวลามดกัดมันแค่คันๆล้วก็ว่ามันเจ็บเพราะเรากลัวเจ็บอะไรนิดหน่อยก็เจ็บอย่าไปกังวลกับอุปสรรคถ้าใครกังวลกับอุปสรรคหรือความทุกข์เนี่ยมันจะทุกข์ตลอดชีวิตอ่ะเคยไหมเวลาเรากลัวผีเนี่ย คนกลัวผีเนี่ยกังวลเรื่องผีจะถูกผีหลอกบ่อยมากเลยจะถูกผีหลอกผีชอบหลอกคนที่กลัวผีคนไม่กลัวผีเนี่ยผีไม่หลอกหรอกความผิดหวังกัเหมือนกันถ้ากลัวความผิดหวังคนก็จะผิดหวังเพราะ้ความกลัวที่มันค้างคางใจอยู่เดีย๋ยวสาคัญนะดงนั้นอย่าไปกังวลถ้าในโลกนี้เนี่ยเราอยู่ในชีวิตเนี่ยเราไม่กังวลแล้วก็ในโลกนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว เราไม่กังวลไม่กลัวอะไรแล้วก็ในโลกนี้ไม่ต้องกลัวอะไรละทุกอย่างมันจบลงที่ความกลัวความวิตกกังวลนั้นถ้าไม่กลัวไม่กังวลแล้วก็ใจมันก็สบายมันก็มีความสุขนั่นอย่า ก, กังวลนะมันเกิดอะไรขึ้ก็เกิดท้าทายมันไม่เป็นไรเราเพราะสิ่งที่เราผ่านมาเป็นปัจจุบันเนี่ยเราแก้ปัญหามามากมายแล้วเราจึงอยู่ได้ทุกวันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่เรากังวลเนี่ยมันเป็นจริงสักกี่อย่างกัน ว่ามันจะไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ใช่ไหมจะถึงวันนี้เราสามารถผ่านวิกฤตมนันได้ปจจบันนี้แล้วน่าจะภูมิใจเมื่อผ่านมาถึงวันนี้ได้แล้วก็วันข้างหน้าเนี่ยมันไม่ยากแต่อย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาทเรื่องของการสั่งสมความดีสั่งสมธรรมะฝึกภาวนาไว้เรื่อยๆดําเนินชีวิตอย่างมีสติสตินี่แหละจะพาจิตใจให้เรามีกําลังใจมีพลังใจเผชิญหน้ากับ วิธีตต่างๆด้วยจิตใจไม่เป็นทุกข์เมื่อเราทําตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีความสุขนะมีความสุขความเบิกบานใจขณะที่เราเราใช้ันพูดว่าเฝ้าดูการเฝ้าดูเนี่ยมันเป็นการตามยึดติดโดยเราไม่อิสระเลยชีวิตต้องทำอยู่ตรงนี้เหรอโอ้เครียดตายเลย อ, อันนี้เป็นความคิดนะที่จริงการเฝ้าดูตามดูเนี่ยมันไม่ได้เกเป็นเฝ้าแบบ แชไปแล้วหรอกเราสามารถใช้ชีวิตตามปกติรมจะใช้คําว่าสังเกตสังเกตสมมติว่าเราทานข้าวเราทานข้าวไปเนี่ยเราทานข้าวในชีวิตตามปกติไม่ต้องพอเคยระวังช้าๆว่าจิตมันจะคิดหรือยังโกรสติจะขาดทานตามปกติให้รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเรากําลังทําอะไรกายกําลังทําอะไรให้รู้สึกในปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยเป็นการวิสติ สังเกตรู้ตัวเราแล้วแล้วใครเราทานข้าเนี่ยมันจะไม่มีเฉพาะการเคลื่อนไหวอย่างเดียวหรอกไม่มีเฉพาะที่เรากําลังทานเนี่ยจะมีความคิดทางเข้าไปรู้สึกอร่อยรู้สึกไม่อร่อยสติเราก็รู้อ๋อนี่จิตมันคิดแล้วนะให้รู้ลงไปเฉยๆเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปตามจี้ว่าคิดอะไรหรือว่าอ๋อจิตมันคิดวให้รู้ว่าสภาพร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ดีจิตที่มันคิดก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทางนั้นเลย สิ่งไหนถูกรู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่จิตผู้รู้มันจะไม่เป็นตัวเป็นตนว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกรู้กายที่เคลื่อนไหวเนี่ยคือสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นเพียงแค่ผู้รู้จิตผู้รู้ไม่ใช่เรารู้ถ้ารู้ว่าเรารู้เหมาแล้วก็เราก็ไปยึดมั่นกายจิตเป็นเพียงแค่ผู้รู้เวลาจิตมันคิดนึกปรุงแต่งอ๋อจิตมันก็รู้จิตมันรู้ในความคิดขก็มันเอง ทุกอย่างมันเป็นการทำงานของธรรมชาติธรรมชาติของกายที่เคลื่อนไหวธรรมชาติของจิตที่เป็นผู้รู้ไม่มีตัวเราธรรมชาติของความคิดที่ปรุงแต่งอร่อยไม่อร่อยนั่นคือสิ่งที่มาปรากฏแต่ว่าจิตเนี่ยทำหน้าที่รู้ทันในสิ่งที่มันปรุงแต่งเป็นการทำงานระหว่างกายกับจิตหรือจิตกับอารมณ์ซึ่งไม่มีตัวเราเลยในขณะนั้นถ้ารู้บ่อยๆจะเห็นว่า ไอเนี้ยไม่ใช่ตัวเราเหรอกมันเป็นการทํางานของธรรมชาติเป็นกระบวนการธรรมชาติล้วนๆมันจะไม่มีตัวเราแอบแฝงถ้าว่ามีตัวเราเราเป็นผู้รู้แล้วก็นั่นละ่ะคือมีตัวอัตตาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการตามดูตามรู้เป็นเพียงแค่คําพูดแต่เราใช้สังเกตแบบธรรมดานะมันหลงลืมไปไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะจิตนี่บางทีมันก็รู้บางทีมันก็หลงใช่ไหมก็แล้วแต่มันเมื่อรู้ก็รู้สึกถ้ามันหลงแล้วก็แล้วไป เราก็เริ่มต้นรู้สึกใหม่ใหม่ๆต้องอาศัยการขยันอาศัยการสร้างการทําสักหน่อยเพื่อฝึกให้จิตนี่มันเป็นระบบแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นไปเองทุกอย่างเป็นกระบวนการกายที่มันเดินไปมาเนี่ยจิตเป็นเพียงแงค่ผู้เห็นจะไม่ใช่เรากายมันเคลื่อนไหวเวลาจิตมันคิดสติเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นมันเลยกลายเป็นว่าไม่มีอะไรไม่มีตัวเรา เป็นการบัวการงธรรมชาติที่มันเกาะตัวกันทําบ่อยๆจะเกิดความเคยชินที่จะไม่มีตัวตนใหม่ๆก็มีตัวเราเข้าไปทําก่อนเพราะโดยนิสัยใจจิงคือมีตัวเรายึดอยู่แล้วแต่ทําไปนานจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรามันทําหน้าที่ของมันเองจิตมันนึกจะคิดมันก็คิดบางทีมันก็ไม่คิดมันเกิดความรู้สึกเฉยๆกายมันนึกจะเคลื่อนมันก็เคลื่อนจิตบางทีมันก็ไม่รู้ไม่ทันเหมือนกัน เราทำงานทำด้วยความเคยจินด้วยความชานาญขับรถไปโทรศัพท์ไปเดินไปคุยกันไปนั่นทำด้วยความเคยจินแต่ไม่ได้มีสติแต่ถ้ามีสติจะรู้ว่าอ๋อการเดินเนี่ยเป็นเรื่องของกายนะสติเป็นพลังเข้ารับรูร้รับทราบเริ่มจากตรง น, นี้เรากฉลบวนการณ์ของการสืบเนื่องของการว่ากายเคลื่อนไหวเพราะจิตมันใช้ ถ้าจิตไม่ใช้กายไม่เคลื่อนถ้ากายเคลื่อนไปแสดงว่ามเรีอตโนมัสของมันมันจะเริ่มเข้าใจกระบวนกของตัวเราตัวตนเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะมันมีสมมติเข้าแทรกถ้าตัดสมมติออกแล้วก็ตัวตนไม่มีเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของรูปของามเรื่องของกายจิตล้วนก็เราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเคยไหมเคยเจริญสติมลองใช้ชีวิตแบบรู้สึกตัวดิมันเหมือนจะไม่มีใครทําอะไรนะ มีการเคลื่อนไหวแต่ไม่มีผู้ที่เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติที่เขาทำงานจะมีทุกซ่อนอยู่ในกายในจิตแต่ไม่มีเจ้าของที่เป็นทุกนะไม่มีเจ้าของมีแต่ธรรมชาติของเขาที่ทำหน้าที่ทุกอยู่ที่ไหนหาสาเหตุของความทุกข์คือตัวปัญหาก่อนทุกข์นี่มันเกิดจากที่กายที่ใจกายเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์จิตก็เป็นตั้ ง, งความทุกข์ทั้งสองอย่างเนี่ยคือก้อนทุกข์ แต่ก่อนเราไปยึดมั่นถึงมั่นว่าโอกายนี่เป็นของเราไอจิตความรู้สึกมือคิดเนี่ยก็คือของเรามองทุกอย่างเนี่ยในตัวเราเป็นของเราหมดความพิการก็เป็นรอพิการเวลาจิตมันเครียด ก, ก็เป็นเราหมดนี่เมื่อเราฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวให้มีอยู่ในตัวเราเนี่ยโดยจิตที่รู้สึกเฉยเฉไม่ต้องไปยึด ต, ติดเอากายก็ดี อาจิตก็ดีมาเป็นฐานให้เรารู้สึกรู้สึกการที่เป็นผู้รู้เนี่ยผู้รู้ผู้ดูในความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่เข้าไปกับสิ่งนั้นเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของกายความที่บังคับบัญชาอะไรไม่ได้มันนึกอยากจะปวดก็ปวดนึกอยากจะเจ็บก็เจ็บนึกอยากจะตายก็ตา ย, ตายแล้วมองดูว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงอะ่ะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์เดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็ง่วงใช่ไหม เรื่องของกายมันเป็นโดยธรรมชาติของมันอย่างนั้นแม้ว่าเราไม่พิการมันก็ต้องป่วยเป็นโรคอื่นแน่นอนเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้และเห็นจิตใจที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งบางทีมันก็รักบางทีมันก็โกรธบางทีมันก็กลัวบางทีมันก็เบื่อบางทีก็เสงเห็นจิตมันทำหน้าที่ของมันเองเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้อยากให้มันคิดแต่สิ่งที่ดีมันก็คิดดีไม่ได้เวลามันสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นอยากให้มันดับไปมันก็ไม่ดับ มันเป็นไม่ตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นแต่ก่อนยึดว่าเป็นเราทั้งหมดเลยเราป่วยเราโกรธเราทุกข์แต่พอเราเจริญสตินานๆเนี่ยจะรู้ว่าอ๋อไอ้กายใจเนี่ยมันยึดมั่นถึงมันไม่ได้เอากับมันไม่ได้ก็จึงไม่ต้องยึดมันอาศัยอยู่ในกายในจิตเนี่ยแต่ไม่ต้องไปยึด ต, ติดทุกข์เกิดจากการยึด ต, ติดว่าเป็นตัวเราถ้าเราปล่อยวางการยึด ต, ติดเมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะไม่มีทุกข์นะ กายเป็นทุกข์เรื่องของกายจิตเป็นทุกข์เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราถอนความยึดมั่นเสียได้เนี่ยเท่ากับมันไม่มีเราอยู่ในนั้นมีเราเพราะเราไปยึดติดยึดเมื่อไหร่ล้วก็เป็นทุกข์เหมือนนั้นถ้าเราปล่อยวางมาได้แล้วก็เราก็ดีสละกายจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาก็ดูแลกันไปใช่ไหมเราต้องรู้ความจริงจะปล่อยวางมันได้ต้องรู้ความจริงก่อน ถ้าไม่รู้ความจริงเนี่ยมันก็จะยึดติดตัวตนเกิดจากการยึดติดเกิดจากความคิดปรุงแต่งถ้าเรามองสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เราซะเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกมันจะไม่มีที่ตั้งทุกไมนมีที่ตั้งเพราะเราไม่ยึดติดมันที่ตั้งเกิดขึ้นจากตัวตนของตนนั้นนหละฝึกสติบ่อยๆมันจะเกิดปัญญาแล้วมันจะรู้ความจริงว่ากายจิตนี่มันไม่เที่ยงมันบังคับบัญชาไม่ได้ ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วก็แล้วก็ดูแลมันไปตามหน้าที่เห็นกายไปเพียงแค่คนป่วยจิตก็เปลียนที่ดูแลเป็นหมอเป็นพยาบาลทําหน้าที่กันไปทําหน้าที่กับตัวเราแล้วก็ทำหน้าที่คนอื่นถ้าฝึกสติ บ, บ่อยๆมันจะเกิดปัญญามจะรู้ความจริงตัวเองปัญญาเกิดจากการสัมผัสหรือว่าภาวนามาจาปัญญาสัมผัสรู้สัมผัสรู้เรารู้ตัวเอง บ, บ่อยๆเนี่ยมันก็รู้เรื่องตัวเอง การดูตัวเองบ่อยๆมันฉลาดเรื่องตัวเราถ้าดูข้างนอกก็ลืมตัวเราแล้วก็เป็นทุกข์ในตัวเราต้องมาดูตัวเองสังเกตตัวเองใช้ความสังเกตบ่อยๆพอจะเข้าใจไหม <c oughs> เรื่องนี้มันต้องคุยโอยาวนานมากเรื่องของการปล่อยวางทุกข์ออกจากความทุกข์เนี่ยมันใช้เวลาจิ๋วๆใช้เป็นคำพูดแล้วก็มันมากถ้าเป็นตัวปฏิบัติเนี่ยพอรู้สึกปั๊บมันจบ ตรงที่รู้สึกรู้สึกเพราะตัวรู้สึกล้วนๆเนี่ยมันไม่ผูกพันกับอะไรเป็นอิสระรู้สึกตัวล้วนๆเนี่ยเป็นอิสระจากเรื่องของกายเรื่องของจิตจิตเนี่ยมันจะแสดงอาการสามอย่างพฤติกรรมจิตเนี่ยคือความคิดนึกปรุงแต่งความโลภความโกรธความพอใจไม่พอใจมันเป็นเรื่องของจิตเป็นอาการของเขาทั้งนั้นอ่ะเขาย่อมจะเกิดขึ้นมาได้ถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยเราเคยสั่งสมมามากมายแค่ไหนมันย่อมปรากฏขึ้นในจิตใจเรา สิ่งนั่นคือสิ่งที่มันปรากฏธรรมดาแค่เรารู้สึกว่าอ๋อนี่มันโกรธแล้วรู้แบบเป็นผู้ดูอย่ารู้ว่าเป็นเรารู้ว่าเนี่ยคืออาการของจิตเท่านั้นความโกรธเหมือนกับความฝันเหนไหมความฝันคือความคิดในตอนกลางคืนตอนที่เราหลับนั่นคืออาการของจิตมันไม่ได้เป็นจริงเี็นจังถึงฝันเรื่องเลวร้ายตื่นมาอาจจะไม่เลวร้ายที่ฝันก็ได้ ความโกรธก็เช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วมันก็ดับไปความโลภเกิดขึ้นมาแวบมันก็ดับไปทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันสิ่งที่ปรากฏถ้าเราวิยิดติดว่าความโกรธเป็นเรากโกรธแล้วก็มันก็เป็นเรื่องแล้วก็ร้อนแต่ว่านี่คืออาการของจิตเท่านั้นเองไม่ใช่เหาไปแค่อาการเท่านั้นธรรมชาตของเขาธรรมชาติของจิตคือความคิดนึกปลุงแต่งในอารมณ์ต่างๆ เราเป็นเพียงแค่ผู้รู้มันถ้าเป็นผู้รู้เนี่ยมันสบายนะไม่ได้เข้าไปเป็นเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูเป็นผู้เห็น้ เ, เรื่องความโกรธที่เราห้ามไม่ได้นะจิตมันจะโกรธก็ต้องปล่อยให้มันโกรธแล้วก็รู้ทันแค่รู้ทันจิตที่โกรธเนี่ยมันก็ไม่ล่วงออกพ้นมาทางกายทางวาจาจะไม่พูดอะไรจะไม่ทําอะไรพอรู้ทันจิตแล้วก็จบตรงนั้นแต่ที่เรามีปัญหาคือเมื่อจิตโกรธปับ๊บเราไม่รู้เท่าทันจิตที่โกรธ เราไปมองคู่อริเราเนี่ยไปมองเขาแล้วเนี่ยไอ้ความโกรธก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ได้รู้ต้นตอของปัญหาคือจิตใจเราที่มันโกรธแค่รู้ต้นตอว่าออจิตมันโกรธแล้วจิตมันก็จะดับไปความโกรธก็จะหายไปพอความโกรธหายจิตมันก็ผ่องใสเหมือนเดิมบางทีอาจจะโกรธเพิ่มอีกก็รู้อีกโกรธอีกรู้อีกรู้จงกระทั่งจิตมันไม่อยากโกรธแล้ว โกรธที่ไรก็ถูกรู้ทุกทีมันไม่อยากโกรธละมันก็ค่อยๆจางหายเลยว่าเชื้อเชื้อมันจะหมดเพราะเราไม่ได้ใส่เชื้อถ้าโกรธครั้งหนึงทําตามความโกรธพูดตามความโกรธต่อไปมันก็จะโกรธขึ้นอีกเพราะเราเพิ่มเชื้อให้มันถ้ารู้ว่าจิตโกรธอ๋อมันเป็นแค่อาการของกิตทนะจบนี่เป็นการถอดเชื้อต่อไปมันก็จะค่อยๆจางหายไปความโลค ก, ก็เหมือนกัน ความไม่พอใจคือเหมือนกันทุกอย่างที่เป็นปรากฏการในจิตน่ยถ้ามีสติตามรู้เนี่ยมันจะคุมกําเนิดอารมณ์นั่นเลยนะคุมกําเนิดนะมันจะไม่ค่อยเกิดแล้วและสติที่เกิดคืบ่อยคือสติจะเกิดบ่อยจะเกิดไวจะเกิดทันไม่ได้ห้ามนะความโลภความโกรธความคิดความหงุดหงิดพอใจไม่พอใจอย่าไปห้ามมันการห้ามเนี่ยเท่ากับไปการแทรกแซงไปบังคับมันห้ามไม่ได้จิตจะโกรธจิตจะคิดให้มไม่ได้ เราเพียงแค่ทีนรู้ทันแค่รู้ทันเนี่ยมันพ้นภัยนะเอาชนะความโกรธด้วยการรู้ทันความโกรธไม่มีใครฆ่าความโกรธได้หรอกเราจิตคิดจะไปฆ่าความโกรธเนี่ยจิตมันก็แย่ <c oughs> จิตไม่ดีแล้วไม่มีการฆ่าแค่รู้ทันเนี่ยชนะแบบเหนือชั้นเลยชนะคู่ต่อสู้โดยการที่ไม่ทําลายคู่ต่อสู้เด็ดขาดเลยนะรู้ทัน แต่จะรู้ทันจิตได้นั้นเนี่ยสติจะต้องมากพอสมควรต้องฝึกฝึกสติบ่อยๆนึกขึ้นได้ก็รู้สึกนึกไม่ได้ก็แล้วไปนึกได้ก็รู้สึ ก, ก, ก, ก, ก, ส, กสั่งสมเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะเต็มไปเองเมื่อสติมันเต็มแล้วเนี่ยมันจะไปเห็นจิตการปฏิบัติที่สำคัญคือให้มีสติมีสติเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ทันจิตใจให้รู้ทันจิตใจที่มันคิดปรุงแต่งแค่รู้ทันนะไม่ได้ทาลาย พอรู้ทันก็นจบ